เรื่องที่11โกวินทศิงวิรบบรุษสามกุมภาพันธ์5องพั้ารมบเจ้าจมวีร์รอยอยู่ไม่ได้จะต้องรีบเดินทางไปให้ถึงพุทธคยาในวันพรุ่งนี้เพราะได้นัดกับท่านเอกอักราชทูตไทยไว้ที่นั่นด้วยธุรกิจสำคัญมาประการเราออกจากพาระสศีสายไปนิดหน่อยจึงมาถึงเมืองปัตนะหรือปตาตลิบุตร เอากับสี่ทุ่มเขาแล้วแต่คนขับรถของเราเก่งมากแกเป็นคนถือศาสนาซิกว่าจ้างเหมากันไว้ตลอดทางเพราะฉะนั้นหากข้าพเจ้ากับคณะจาริกจะแวะรับประทานอาหารที่ปาตลิบุตรและพักผ่อนสักครู่ใหญ่แล้วออกเดินทางตเตลิดไปพุทธคยาเลยก็ย่อมจะทำได้และเป็นความสะดวกสบายหลายประการแต่เราก็ทาเช่นนั้นไม่ได้ ในเมื่อวัตถุประสงค์ในการจาริกของเราอยู่ที่การศึกษามิใช่เพื่อจะดูได้เสียไม่ได้เลย อ, อยู่อย่างหนึ่งคือบวชพิพิธภัณฑ์แห่งศาสนาซิกคือปุญยสถานแห่งนี้เป็นทั้งโรงสวดเป็นทั้งอนุสวรี์และเป็นพิพิธภัณฑ์รวมอยู่ในแห่งเดียวกันประการสําคัญเป็นพิพิธภัณฑ์พิเศษเกี่ยวกับวีรบุรุษท่านหนึ่งของอินเดียคือพระศัสดาโควินทร์ศิง์ เสียดายที่เรามาถึงเมืองนี้เอาในยามวิกาลบทปิดเสร็จแล้วหากจะชมก็ต้องรอจนถึงพรุ่งนี้8นาฬิกาแต่จะเป็นไรไปหากเรามีเวลาที่จะรอแม้จะรอสักอาทิตย์หนึ่งก็คงไม่เสียหายสำหรับการชมสิ่งสำคัญเช่นนี้ตกลงว่าเรายอมค้างที่ปัตริบุทสักราตรีเพื่อคำนับแด่พระศาสดาโควินทสิงห์ผู้วีรบุรุษโดยเฉพาะ รุ่งขึ้นเราได้เข้าชมโบทโควินทาสิงสมตั้งใจและจากการเข้าชมเพียงชั่วระยะเวลาอันสั้นข้าพเจ้ารู้สึกได้ว่ากำไรเกินคาดหมายนอกจากจะได้เห็นผ้าอ้อมเปเลเหมาะเสื้อและรองเท้าที่ประสัสดาใช้สอยเมื่อยังยาวยังได้ชมดาบกริดเหลาแหลนและกรา ที่พระศัสดาทรงใช้ในการกู้ชาติและสร้างศาสนาซิกซึ่งถูกรักษาไว้เป็นอย่างดีอีกด้วยข้าพเจ้าได้ชมแม้กระทั่งบ่อน้ําซึ่งบรรดาของพระศัสดาใช้ชำระสดสง์เมื่อประสูตรโอรสพระโบทหลังนี้ชาวซิกได้สร้างคล่อมเรือนประสูตรของพระศัสดาโควินทสิงห์และรักษาสิ่งต่างๆไว้ตามสภาพของเดิมเท่าที่จะรักษากันไว้ได้นับว่าเป็นความคิดที่น่าชมทีเดียว ข้าพเจ้าออกจากโบทแห่งนี้ด้วยความเสียดายเวลามันช่างจำกัดเสียจริงๆแม้ว่าสารถีชาวพรตะจะขั้วพานะนำร่างของเราออกจากปัตติบุตรไปอย่างรวดเร็วแต่ตลอดเวลาที่นั่งอยู่ในรถชีวประวัติและเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับวีรกรรมของพระสัสดาโควินทศิงก็มาบังเกิดเป็นมโนภาพอยู่ในห้วงนึกและเมื่อยิ่งนึกถึงเหตุการณ์แต่หัวหลัง ก็ยิ่งได้เห็นคุณธรรมและความกล้าหาญของพระศ า, ศาสดาองค์นี้แจ่มชัดมโนภาพเหล่านั้นได้เรียงลำดับเข้าสู่ห้วงนึกขณะนั้นพระพุทธเจ้าพรินิพานแล้วได้สองพันปีเศษก็นานโข อ, อยู่เหมือนกันนานจนกระทั่งไม่มีพระพุทธสาวกเหลืออยู่ในอินเดียเลยแม้แต่รูปเดียวชมปูทวีกลายเป็นดินแดนว่างเปล่าจากพระพุทธศาสนา ประชาชนชาวอินเดียกำลังตกอยู่ในห่วงแห่งมรสุมร้ายกล่าวคือได้มีนักการเมืองและนักการทหารจากประเทศอื่นบุกรุกเข้าสู่อินเดียเพื่อช่วงชิงความเป็นใหญ่ตามวิสัยของผู้ตกอยู่ในอำนาจความทยธยานและในโอกาสเดียวกันนั้นก็ยกเอาเรื่องศาสนาขึ้นบางหน้าอ้างว่าเป็นการกระทำเพื่อเผยแผ่ศาสนาที่ตนนับถืออยู่ มีการข่มขู่เคี้ยวเข็นแก่ชาวอินเดียให้ลาทิ้งศาสนาเดิมของตนทั้งทางตรงและทางอ้อมจนแผ่นดินนั้นกว้างใหญ่ไพศาล ร, ร้อนระอุไปทั่วทุกหัวระแหงในเมื่อทางเดินของชีวิตกับทางเดินของจิตใจได้ถูกกำหนดขึ้นขัดแย้งกันหากผู้ใดรักจะมีความสุขทางชีวิตร่างกาย ก็จำต้องทอดทิ้งลทัทธิศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจแต่ดั้งเดิมเสียแต่ถ้าหากผู้ใด ย, ยังรักที่จะหาความสุขทางจิตใจอยู่ชีวิตก็จะลำเค็นหน้าสะพรึงกลัวเหตุการณ์เหล่านี้ได้ถูกบันทึกไว้ในหลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างมากมายอินเดียกำลังต้องการผู้ช่วยเหลือให้พวกเขามีอิสรภาพทั้งทางชีวิตและทางจิตใจ ความหวังของพวกเขาส่วนใหญ่หมอบไว้กับพระศาสดาเตกพาหาทุระผู้นำะบวนการศาสนาซิกซึ่งกำลังมีบทบาทอยู่ทางอานันทปุระท่านผู้นี้เป็นพระศาสดาแ ห, ห่งศาสนาซิกลำดับที่9ก้าแต่น่าเสียดายที่ท่านได้ถูกฝ่ายผู้ครองอำนาจประหารชีวิตเสียอย่างหน้าอานาถ ก่อนที่งานกู้อิสรภาพของท่านจะบรรลุถึงผลสาเร็จอย่างสมบูรณ์แต่ก็น่าดีใจที่ว่าก่อนที่ท่านจะจากแผ่นดินเดือดสู่สวรรค์ท่านได้ให้กําเนิดแก่บุตรน้อยคนหนึ่งและได้ถ่ายทอดมีใช่เพียงเลือดเนื้อเท่านั้นให้แก่เขาหากได้เสกสรรดวงใจอันกล้าหาญเด็ดเดี่ยวไว้ให้ด้วยอย่างพร้อมมูลทั้งได้มอบหมายให้ท่านเป็นพระศ ส, สดาสืบต่อไว ก่อนที่ท่านจะเดินทางไปสู่ตะแลงแกงโควินทศสิงห์ประสูติที่เมืองปัตตลีบุตรเมื่อพุทธศักราช2209ซึ่งขณะนั้นพระจักรพรรดิโอรังเซพกษัตริย์มุสลิมกำลังเรืองอำนาจอยู่ในอินเดียเหตุการณ์ทางศาสนาในชมพูทวีกำลังตึงเครียดและในระยะเดียวกันนั้นทางกรุงศรีอยุธยา ก็กำลังเผชิญกับความยุ่งยากทางศาสนาอย่างที่สุดเหมือนกันกล่าวคือเระียนะนั้นตรงกับพระาชสมัยสมเด็จพระนานรายมหาราชได้มีการขัดแย้งกันอย่างรุนแรงระหว่างคนไทยที่นับถือพระพุทธศาสนากับคณะบาทหลวงแห่งศาสนาคริสต์นิกายโรมันคทาทอลิกผู้ซึ่งถูกสงสัยว่าสมคบกับมิสเตอร์ฟอลคอนและจอมพลเดฟาา นำกองทหารฝรั่งเศสมาคุกคามเอกราชของไทยพระสัสดาเตคภาหาทุระผู้บิดาในหมายใจไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าจะแต่งตั้งให้โควินทศสิงห์เป็นพระสัสดาแทนท่านจึงได้ส่งเสริมให้โควินทศสิงห์ได้รับการศึกษาอบรมอย่างใกล้ชิดและดีที่สุดที่มีกันอยู่ในสมัยนั้นวิชาที่ท่านชำนาญมากที่สุดได้แก่ภาษาสันสกฤต ภาษาเปอร์เซียยุทธศาสตร์ยุทธวิธีการยิงธนูการขีม่ม้าและการปกครองนอกจากนี้ก็คือความรู้ทางศาสนาทั้งศาสนาฮินดูและศาสนา i สลามพระบิดาของท่านได้ถูกป่าชีวิตเมื่อท่านมีพระชนก้าพันศาซึ่งเป็นวัยที่อัญชิยญาบุคคลอย่างท่านมีความสำนึกในเหตุการณ์แล้วเป็นอย่างดี ในวันที่ท่านทาพิธีโปลงศพ บ, บิดานั้นท่านได้กล่าวสัต์ปฏิญาณว่าจะทวงหนี้คืนให้พระบิดาให้จงได้ศาสตราจารย์สวามีสัตยานันทะบุรีฝ่ายอินเดียได้กล่าวไว้ในบทประพันธ์ของท่านตอนหนึ่งว่าผู้ที่จะชราระหนี้คือจักรพัฒโอรังเซพผู้ครองราชอาณาจักร ตั้งแต่อินเดียจดเปอร์เซียทรงอำนาจอันสูงสุดในโลกสมัยนั้นส่วนโควินทศิงเจ้านี้ยังอยู่ในเยาวัยอายุพึ่งย่างข้าวก้าขวบไม่มีอาณาจักรไม่มีทหารไม่มีเงินแต่มีสิ่งที่ใหญ่ยิ่งกว่าอาณาจักรกล้ายิ่งกว่าทหารมีค่ายิ่งกว่าเงินคือกำลังใจและ ปริชาญาเมื่อเสด็จการศพท่านบิดาแล้วโควินทสิง์ก็เริ่มแสดงบทบาทชาติอาชาในาของท่านให้โลกเห็นประจักษ์โดยที่ท่านได้เรียกร้องประชาชนซึ่งส่วนมากเป็นชาวนาให้พร้อมใจกันเสียสลักเพื่อกู้ชาติเป็นการระดมสภพกำลังครั้งยิ่งใหญ่ของชนชาติอินเดียสิ่งที่ท่านต้องการอย่างที่สุดคือ กำลังคนและสตราอาวุธทุกชนิดงานกู้ชาติของท่านพอจะสรุปได้เป็น4ประการคือ 1. ระดมสรรพกำลังและฝึกยุทธวิธี 2. ให้การศึกษาแก่ประชาชน 3. เทศนาสั่งสอนศา ส, สนาและยุทธวินัยและ 4. บำรุงสวัสดิภาพประชาชนจนกระทั่งพุทธศักราช 2,243 อันเป็นปีที่พระศาสดามีชนมายุ3 3มสิบันษาแสนยานุภาพของท่านถึงขั้นสมบูรณ์เต็มที่ท่านได้จัดให้มีการชุมนุมแสดงแสนยานุภาพครั้งใหญ่ยิ่งและเป็นครั้งเดียวที่เคยมีมาแล้วการประชุมครั้งนี้ท่านในนำทหารกระทำสัต์ปฏิยานที่จะต่อสู้เพื่อกู้อิสรภาพอินเดียจนกว่าชีวิตจะหาหม่ได้ทรงบัญญัติศาสนาวินยัย และยุทธวินัยทั้งได้ประกาศแก่มหาชนอย่างจงแจ้งว่าท่านต้องการทำสงครามขับไล่กองทัพฝ่ายิึดครองาศาสนาวินัย21ข้อครั้งนั้นประศา ส, สดาได้ทรงนำาศาสนิกปฏิญาณตนถือศีล21ข้อตลอดชีวิตและให้ใช้ศีลดังกล่าวนี้เป็นาศาสนาวินัยของซิกทั่วโลกจนถึงทุกวันนี้คือ ก็ข้อปฏิบัติ 1. ถือพระสัสดาเป็นบิดาของตน 2. ให้ถือว่าเมืองปตาตลีบุตรและอาลันทัพุระเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ 3. ยกเลิกการถือชั้นวันนะ 4. เสียสละชีวิตในสนามรบประการที่ 1. สัจจะศีลอาการประการที่สศาสนวดัด ประกานที่ 3. ความบริสุทธิ์ 6. ให้มีสิ่งของประจำตัว5อย่างเสมอคือข้อที่ 1. กระทากำไลเหล็กสวมที่ข้อมือ 2. กระฉากางเกงในสวมไว้เสมอ 3. เกษะผมและขน 4. กังคาหวีเสียบไว้ที่ผม 5. กลิปานดาบข้อ7ให้มีชื่อตัวลงท้ายด้วยคำว่าสิงในวงเล็บสิงข้อ8ให้ฝึกขีม่ม้าฟันดาบและหมวยปลำํำข้อ9ให้ช่วยเปลื้องทุกแก่คนอื่นข้อ10ให้นอบน้อมพระเป็นเจ้าและต้อนรับแขกด้วยดีขอไข่ข้อห้ามข้อ11 ห้ามไม่ให้ซิกทะเลาะวิวาทกันข้อ12ห้ามพูดมุสาข้อ13ห้ามทำผิดในกามโลภโกรธหลงข้อ14ห้ามคบกับคนที่เป็นปฏิปักษ์ต่อศาสนาข้อ15ห้ามคบกับคนที่ไม่ส่งเสริมการกู้ชาติข้อ16ห้ามเสพยาสูบทุกชนิดและสิ่งมึนเมาอื่นๆ ข้อ17ห้ามเปลื้องผ้าพวกจากศรีรษะข้อ18ห้ามเล่นการพ น, นันข้อ19ห้ามตัดโกนถอนผมและขนทุกชนิดในตัวข้อ20ห้ามติดต่อคนเบียดเบียนชาติและศาสนาข้อ21ห้ามแต่งกายหรูหราไร้สาระชาวอินเดียผู้รักชาติได้เข้าร่วมปฏิญาณตน ในวันแรกมากกว่า 80,000 คนและทยอยกันเข้าสมทบในกระบวนการของท่านมากขึ้นตามลําดับพระศัสดาได้นํากองทัพซิกเข้าโจมตีฝ่ายยึดครองหลายครั้งหลายคราวบางครั้งท่านก็ได้ชัยชนะอย่างยอดเยี่ยมจนกระทั่งพุทธศักราช2251พระศัสดาโควินทศิง์จึงได้ชัยชนะอย่างเด็ดขาด นำความสงบสุขคืนสู่อินเดียได้สำเร็จสมประสงค์หลังจากนั้นไม่นานคือในปีเดียวกันนั่นเองชีวิตของพระศัสดาก็ดับลงเสมือนหนึ่งวสวรรค์ได้ส่งท่านลงมาปราบยุคเขตให้อินเดียนำสันติสุขสู่มหาชนเสร็จแล้วก็เสด็จกลับไปติวทัตนานลันทาเริ่มปรากฏสู่สายตาเบื้องหน้าโน้น์และเทือกเขาเบญจคิรี กำแพงธรรมชาติแห่งมหานครราชครึก็เห็นอยู่ลางๆสุดสายตาเนื่องถึงเมืองไทยแล้วใจก็ประวัติสู่ภาพประวัติศาสตร์อีกชิ้นหนึ่งในโบทปัตนะภาพนั้นบรรยายถึงเหตุการณ์ครั้งหนึ่งในสมัยที่พระศัสดาเตฆาาหะทุระพระบิดาของพระศัสดาโคเวนทศสิงห์ยังประกาศศาสนาอยู่เจ้ากพัฒโอรังเซฟผู้ครอบครองอินเดีย ได้จัดให้ราชารามสิงห์นำกองทัพขึ้นไปโจมตีแคว้นไทยอาหม่มทางอสามพระสัสดาได้เทศนาห้ามปราบราชารามสิงไว้มีให้ไปข่มเหงคนไทยซึ่งไม่มีความผิดอันใดข้าพเจ้านึกขอบคุณพระสัสดาในฐานะที่เป็นคนไทยเพราะกุศลกรรมของท่านครั้งนั้น มิใช่จะป้องกันความพินาศย่อยยับให้ต้นตระกูลไทยของเราในยุคนั้นเท่านั้นหากได้เป็นผลดีแก่มวลชนชาวไทยทุกวันนี้ด้วยเพราะหากท่านพระศัสดาไม่เข้าห้ามปรามกามปรปะทะ ก, กันไว้ชาวพุทธไทยก็จะมีความกินแหนงแขลงใจต่อชาวมุสลิมอย่างไม่มีที่สิ้นสุดอาจกลายเป็นคู่เวรกันจนทุกวันนี้ก็ได้แต่นี่ไม่เป็นดังนั้นก็เพราะพระศัสดา เต้ภาพาหาธุระช่วยตัดไฟเสียแต่หัวลมนึกถึงเหตุการณ์อันน่าสยดสยองนั้นแล้วใจก็ประวัติไปถึงว่าครั้งหนึ่งพระราชารัตนะรายประมุขแห่งชาวไทยอาหมได้แสดงความขอบคุณแด่พระสัสดาโควินทศิงดโดยการจัด็นาการพิเศษไปถวายคือช้างเผือกหนึ่งม้าเทศห้า กับเบนจาราชสตราซึ่งต่อมาชังเชือกนั้นได้เป็นมหามงคลหัตถีคู่บารมีของพระสัสดาคโควินทศิงในการกู้ชาติบ้านเมืองนี่แหละหนอมิจจิตต่อมิจใจคนเราแม้ต่างชาติต่างศาสนาหากตั้งมั่นอยู่ในศาสนาธรรมบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่กัน ก็จะเป็นผลดีแก่อนุชนคนภายหลังอย่างหาที่สิ้นสุดไม่ได้พระสัสดาคโคินทถสิงพร้อมทั้งพระบิดาของพระองค์และซิกศาสนิกชนในอดีตได้บนเพ็นประโยชน์แก่โลกแล้วอย่างใหญ่หลวงสมควรได้รับการเชิดชูว่าเป็นวิรชนอย่างแท้จริง